สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมนกักธุรกันคนชอบเล่าเมื่อก่อนผมไม่เคยเชื่อเรื่องโลกหลังความตายแต่เมื่อผมเองได้ประสบกับเหตุการณ์อย่างหนึ่งเข้ากับตัวเองมันจึงทําให้ผมเปลี่ยนความคิดทั้งหมดโดยสิ้นเชิงทําให้เชื่อว่าโลกหลังความตายนั้นมีจริงซึ่งเราจะต้องได้พบกันทุกคนหลังจากที่ดวงวิญญาณได้หลุดลอยออกจากร่างเมื่อตายไปนี่คือคําพูดจากคุณเดมได้พูดให้ผมฟัง ซึ่งจากนี่ผมเกิดไปตอนต้นว่าเมื่อก่อนคุณเนมเขาไม่เคยเชื่อเรื่องโลกหลังความตายหรือเรื่องที่เกี่ยวกับวิญญาณครับและเรื่องที่ทำให้คุณเนมเชื่อเรื่องราวเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเมื่อตอนที่5ปีก่อนคุณยายของเนมท่านได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชราตอนนั้นเนมเองไม่เคยเชื่อเรื่องผีหรือวิญญาณจนมาถึงในคืนวันที่สมของกานศบของคุณยาย เนมก็ได้พบกับดวงวิญญาณของคุณยายด้วยตัวของเขาเองโดยในคืนนั้นขณะที่เขากําลังนอนหลับอยู่ภายในมุง้งเขาก็เกิดความรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครกําลังจ้องมองเขาอยู่เขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกซึ่งอธิบายได้ยากมากแต่รู้สึกเหมือนกําลังถูกมองโดยสัญชาตญาณและพอเมื่อเขาลืมตาตื่นขึ้นมามองเขาก็แทบสิ้นสติไม่เห็นด่างของคุณยายกําลังนั่งอยู่ข้างๆมุง้งและชะโงกหน้าเข้ามาหาเขา ผ่านมุ้งเข้ามาโดยไม่ต้องตกลบมุ่งขึ้นเขากลัวมากเขากลัวจนแทบสิ grasp, ้นสติไม่รู้จะทํำยังไงก็ได้แต่หลับตาปี yeah ๋แล้วนึกในใจว่าคุณยายครับคุณยายอย่ามาหลอกผมเลยคุณยายอย่ามาล้อผมเล่นอย่างนี้ได้ไหมครับผมกลัวจริงๆครับชีจะลาดอยู่แล้วครับเขาตกอยู่ในสภาพนั้นเกือบ5นาทีจึงค่อยๆรวบรวมความกล้าเผยอ๋เปลือกตาขึ้นมองอีกครั้งทั้งๆที่ยังอยู่ในอาการหวาดกลัวอยู่มาก แต่ก็โชคดีเหลือเกินที่ไม่ได้พบกับใบหน้าของคุณยายอีกคงเป็นเพราะท่านได้รับรู้ถึงคำอธิษฐานในใจของเขานั่นเองพอตอนเช้าเขาจึงเล่าเรื่องที่คุณยายมาหาให้แม่ขเขาฟังแม่บอกว่าคงเป็นเพราะคุณยายอยากให้เขาบวชหน้าไฟให้จึงได้มาปรากฏ ร, ร่างให้เขาเห็นเดมจึงได้ตั้งจิตอุทิศฐานบอกกล่าวกับท่านว่าตอนนั้นเขากำลังอยู่ในช่วงใกล้สอบจึงไม่สามารถบวชให้ท่านได้ เมื่อวันหนึ่งหากเขาพร้อมมากกว่านี้เขาจะบวชให้ท่านแน่นอนนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ทําให้เขาเชื่อแล้วว่าดวงวิญญาณมีจริงและหลังจากนั้นประมาณสองปีตอนนั้นเขายังเรียนอยู่ชั้นโมหการเรียนของเขาตกต่ํามากทําให้เขาคิดว่าตนเองไม่สามารถจะสอบผ่านได้เขาไม่รู้จะพึ่งอะไรก็เลยจุดทู่บอกคุณยายขอให้ท่านได้ช่วยให้สอบผ่าน ปรากฏว่าเขาสามารถสอบผ่านพ้นไปได้จริงๆจากนั้นเขาจึงตัดสินใจบวชให้คุณยายตามที่เคยรับปากไว้ตอนที่ท่านเสียชีวิตใหม่ๆในช่วงระหว่างที่เขาบวชได้ประมาณ10วันเขาได้ฉันอาหารเป็นพิษเข้าไปทำให้เกิดอาการท้องเสียขึ้นมาอย่างหนักจนแทบสิ้นเดี่ยวแรงเพราะถ่ายติดต่อกันเป็นสิครั้งสภาพร่างกายอ่อนเพลียหนักถึงขั้นเขาคิดว่าตนเองไม่น่าจะรอดแน่ เพราะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยรู้สึกแย่เท่าครั้งนี้เลยและเมื่ออาการถึงอาการแย่ที่สุดเขาก็รู้สึกว่าคล้ายกับร่างกายของเขาเนี่ยเบามากมันเบาบิ้วยังบอกไม่ถูกเขาจึงดิ้นสลัดสะบัดร่างไปมาจนกระทั่งเหมือนว่าตัวเองกําลังหลุดลอยออกมาจากร่างอยู่ในชุดเสื้อผ้าปกติและมองเห็นร่างของตนเองซึ่งยังคล้องผ้าเหลืองนอนอยู่บนที่ดอนโดยไม่มีอาการไหวตีงใดๆ ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขามันดูมืดไปหมดมองไปทางไหนก็พบแต่ความมืดแต่ท่ามกลางความมืดนั้นเขาก็กลับมองเห็นทางเส้นหนึ่งเป็นเส้นทางยาวทอดไปเบื้องหน้าตรงสุดสายตาข้างหน้านั้นเขาก็เห็นแสงสว่างรำไรอยู่เป็นแสงสีส้มๆคล้ายๆกับแสงจากเปลเวลเทียนไม่ใช่เป็นแสงสว่างของดวงอาทิตย์ตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะลองเดินตรงไปยังแสงสว่างที่เห็น แต่เมื่อหันกลับมามองร่างซึ่งนอนอยู่บนที่นอนทำให้เขาคิดได้ว่าขนาดนั้นเขาาจะป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิตลงแล้วก็ได้และวิญญาณก็คงจะหลุดออกมาจากร่างเหมือนกับที่เคยได้ยินได้ฟังจากคนเท่าคนแก่ก็เคยพูดกันเขารู้สึกเสียใจมากกับการต้องออกมาจากร่างทั้งที่ยังคิดถึงโยมพ่อโยมแม่เขาจึงคิดว่าหากเขาเสียชีวิตลงแล้วจริงๆก็ควรจะเดินทางไปลาโยมพ่อโยมแม่เสียก่อน เขาเดินไปตามเส้นทางที่มีอยู่เพียงเส้นเดียวไปเรื่อยๆพอใกล้ถึงบริเวณที่มีแสงสว่างสีส้มเขาจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เขาได้มีโอกาสได้เดินทางกลับไปลาโยมพ่อโยมแม่สักครั้งและตอนนั้นเองเขาก็ได้เห็นทางแยกปรากฏขึ้นมาเบื้องหน้าเขาจึงอนิฐานต่อว่าถ้าหากว่าทางเส้นนี้เป็นทางแยกไปสู่บ้านของเขาขอให้เขาได้กลับไปถึงบ้านสําเร็จโดยสมประสงค์ด้วยเถอะและเพียงวูบเดียวหลังจากนั้น เขาก็พบว่าตนเองกําลังยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านของตนเองเขารู้สึกยินดีอย่างมากจึงรีบเดินตรงเข้าบริเวณบ้านเพื่อจะก้าวขึ้นบันไดแต่ปรากฏว่ามีร่างของชายคนหนึ่งอายุราวหกปีอยู่ในเครื่องแต่งกายสีขาวมายืนขวางไว้แล้วก็บอกกับเขาว่าเจ้าเข้าบ้านไม่ได้เพราะตอนนี้เจ้าไม่ใช่มนุษย์แล้วจากนั้นชายชรารังเก่าก็ไล่เขาให้ออกมาจากบริเวณบ้านเขาจึงของร้องว่า ให้เขาเข้าไปลาพ่อลาแม่สักครู่หนึ่งเท่านั้นเพราะยังไม่ได้สั่งเสียอะไรกันเลยชายชราในชุดขาวก็ทําท่าเหมือนคิดอยู่ขณะหนึ่งจึงอนุญาตให้เขาเข้าไปในบ้านโดยกําชับว่าให้เวลาประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเสร็จธุระแล้วให้รีบออกไปเขาดีใจมากรีบก้าวขึ้นบ้านตรงไปยังมุ้งที่พ่อกับแม่นอนอยู่พยายามปลุกท่านเขย่าตัวร้องเรียกพร้อมดึงแขนดึงขาจากพ่อแม่ให้ท่านรู้สึกตัว แต่ท่านก็มีบีท่าทังว่าจะรู้สึกตัวสักพักชาชราคุณเดิมจึงเดินเข้ามาตามพร้อมกับสั่งให้เขาออกไปรอบริเวณหน้าบ้านเขาจึงจำใจต้องทำตามคู่หนึ่งเขาได้เห็นพ่อกับแม่ของเขาเดินออกมายืนอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านชั้นบนส่วนตัวเขาเองยืนอยู่ตรงพื้นดินชั้นล่างเขาก็ตะโกนบอกท่านว่าผมไปแล้วนะผมมาลาจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเรียกเขา เขาจึงได้เดินตามสินนด้นไปและเมื่อเดินย้อนกลับมาสักพักหนึ่งใกล้ถึงบริเวณที่เป็นแสงสว่างสีส้มแล้วจู่ๆเขาก็ได้เห็นทางแยกอีกทางแยกหนึ่งอยู่ข้างหน้าขนาดนั้นแสงสีส้มที่เคยสว่างก็ค่อยๆมืดลงทีละน้อยมืดลงทีละน้อยจนกระทั่งเกือบจะมืดสนิทจนแทบมองไม่เห็นทางพร้อมกันนั้นก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นฟังดูเป็นพลังเสียงที่ส่งอํานาจอย่างบอกไม่ถูกกลับไปซะ กลับไปได้แล้วยังไม่ถึงเวลาของเจ้าเขาจำันพูดนั้นได้แม่นยำจากนั้นก็ดีดเสียสงทรงอำนาจอีกครั้งว่าทําบุญเยอะๆทําดีๆกลับไปได้แล้วเมื่อถึงเวลาเจ้าจะได้กลับมาอีกเขาไม่รู้จะทำยังไงจึงได้แต่ยกมือไหว้แล้วเดินไปตามทางแยกที่เกิดขึ้นมาใหม่พอเดินมาได้สักพักหนึ่งเขาก็ได้กลับมาถึงกุฏิและเห็นด่างของตนเองกาลังนอนอยู่ ตอนนั้นเขารู้สึกดีใจอย่างมากแต่ขณะดเดียวกันก็รู้สึกเหนื่อยและเพียงบอกไม่ถูกรู้สึกว่าอยากจะนอนพักผ่อนเสียเลอ์เกินจึงเดินตรงเข้าหาร่างซึ่งกำลังนอนอยู่เขาจึงพยายามล้มตัวลงนอนทับร่างนั้นจากนั้นเขาก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลยจนกระทั่งมารู้สึกตัวตื่นในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเขานึกทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาทุกอย่างมันเหมือนกับเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่ความฝัน แต่เมื่อเขาเองสามารถขยับขยื่อนร่างกายได้ตามปกติเขาก็ชักเริ่มสับสนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันเป็นเพียงความฝันหรือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกันแน่ในระหว่างที่เขากําลังสับสนอยู่นั่นเองเขาก็ได้ยินเสียงของโยมพ่อโยมแม่มาเรียกทีหน้ากุติตั้งแต่เช้าตรู่เขางงมากเพราะท่านไม่เคยมาหาในตอนเช้าขนาด น, นี้จึงได้ลุกขึ้นและเดินลงไปหาท่านก็ต้องพบกับความประหลาดใจอีก เมื่อท่านทั้งสองเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนท่านทั้งสองฝันตรงกันว่าเขาได้ไปหาที่บ้านพร้อมกับบอกลาเขาจึงย้อนถามว่าตอนที่ฝันเห็นเขาเนะี่ยไปกล่าวลานั้นแต่งตัวยังไงพ่อกับแม่ก็ตอบตรงกันทั้งสองคนว่าแต่งตัวชุดธรรมดาไม่ได้คลองผ้าเหลืองไปสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับเขานี้ทั้งหมดเป็นเรื่องจริงที่เขาเองตอนแรกก็ไม่เชื่อคิดว่าเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้น กระทั่งเมื่อพ่อแม่ของเขามายืนยันว่าฝันเห็นเขาไปบอกลาตรงกันทั้งสองคนเขาก็มารูจะอธิบายอย่างไรมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่แปลกมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดกับเขาและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็เชื่อแล้วว่าวิญญาณมีจริงและเมื่อใดก็ตามที่วิญญาณหลุดออกจากร่างไปดวงวิญญาณของเราจะต้องเดินทางไปยังดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งเขาเองก็ยังเดินทางไปไม่ถึง ไม่อย่างนั้นวันนี้คงไม่มีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้แล้วนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณเดมนะครับที่ผมได้นำมาถ่ายทอดเล่าให้ทุกท่านได้ฟังก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์ให้ได้แง่คิดเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันในระหว่างที่เรากำลังมีชีวิตลมหายใจกันอยู่นะครับสวัสดีครับ